วิธีที่สามไม่ใส่ใจข้อที่ว่าไม่ให้นึกถึงไม่ใส่ใจในความคิดหรืออารมณ์อันจะเป็นเหตุให้เกิดโทสะพูดง่ายก็คืออย่านึกถึงเรื่องที่จะทำให้เกิดความโกรธอย่าไปเอาใจใส่ในเรื่องที่จะทำให้เกิดความโกรธ นี้หมายรวมไปถึงอย่าไปสนใจในผู้ที่ทําหรือพูดเรื่องที่ทําให้ตนเกิดความโกรธเมื่อไม่นึกถึงไม่ใส่ใจถึงผู้ใดหรือเรื่องใดก็เหมือนไม่มีผู้นั้นหรือไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นโทสะหรือความโกรธก็ย่อมไม่เกิดในผู้ที่ไม่มีหรือในเรื่องที่ไม่มีไม่มีผู้ก่อเรื่องให้โกรธไม่มีเรื่องให้โกรธก็เป็นธรรมดาที่จะไม่โกรธ ดังนั้นการทําใจให้เหมือนไม่มีผู้ก่อเรื่องหรือไม่มีเรื่องเกิดขึ้นจึงเป็นการทําใจไม่ให้เกิดโทสะหรือความโกรธนั่นเองแต่การจะไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในผู้ใดหรือในเรื่องใดอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นอย่างมีผลกระทบถึงจิตใจแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทํากันได้ง่ายๆต้องอาศัยการอบรมฝึกฝนต้องอาศัยอํานาจจิตที่แรงพอ ต้องอาศัยความตั้งใจจริงและต้องอาศัยปัญญาประกอบด้วยสติที่กล่าวว่าต้องอาศัยฝึกอบรมหมายความว่าต้องหัดไม่ใส่ใจในเรื่องหรือในบุคคลที่ไม่ควรใส่ใจไว้ให้เสมอพยายามไม่ใส่ใจแม้ในเรื่องที่ก่อให้เกิดความหงุดหงิดเพียงเล็กน้อยไว้ให้เสมอการไม่นึกถึงการไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อย ย่อมทำได้ง่ายกว่าในเรื่องที่ใหญ่โตรุนแรงดังนั้นแม้ฝึกฝนอบรมด้วยการไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยไปก่อนจะมีความสามารถไม่ใส่ใจในเรื่องใหญ่โตได้เมื่อมีกำลังความสามารถแรงขึ้นพอสมควรกับเรื่องนั้นเป็นการค่อยหัดค่อยไปเหมือนขึ้นบันไดขั้นหนึ่งเพื่อก้าวไปสู่ขั้นสองขั้น3จนถึงขั้นสูงสุดเป็นลาดับ ซึ่งถ้าไม่หยุดเสี้ยที่ขั้นหนึ่งขั้นใดในระหว่างทางก็ย่อมจะไปถึงขั้นสูงสุดได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็คือแม้ค่อยฝึกฝนอบรมในเรื่องไม่ใส่ใจหรือไม่นึกถึงบุคคลหรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดโทสะแว่ให้เสมอในที่สุดก็จะไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องทั้งหลายดังกล่าวได้เลยอย่างไรก็ตามผู้จะฝึกฝนอบรมตนเองได้สม่ำเสมอ ให้ไม่ใส่ใจในเรื่องในอารมณ์ดังกล่าวก็จะต้องมีความตั้งใจจริงไม่เช่นนั้นก็จะทอดทิ้งการฝึกฝนไม่กระทาเมื่อไม่กระทาก็ย่อมไม่มีผลแต่ความตั้งใจจริงที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามจะเกิดขึ้นได้จริงจังก็ต่อเมื่อมีความเห็นมีความมั่นใจแล้วว่าควรจะกระทานั่นคือเมื่อกระทาแล้วจะเกิดผลดีแก่ผู้กระทา คือเกิดผลเป็นความสุขสบายของผู้กระทําถ้าไม่มีความมั่นใจว่าทําแล้วจะได้รับผลดีจริงๆความตั้งใจจริงที่จะกระทําก็จกไม่เกิดและก็จกไม่ทําดังนั้นจึงจําเป็นต้องใช้ปัญญาตัดสินลงไปให้เห็นชัดเจนว่าการฝึกฝนอบรมให้ไม่นึกถึงให้ไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องที่จะทําให้เกิดโทสะนั้นจะให้ผลดีแก่ผู้ปฏิบัติจริงๆ และปัญญาในเรื่องนี้รวมทั้งปัญญาในเรื่องทั้งหลายจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสติเกิดคือมีสติเสียก่อนนั่นก็คือในการแก้ไขและตัดสินเรื่องทุกเรื่องที่จะให้เป็นไปอย่างถูกต้องจำเป็นต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยสติสติกับปัญญาขาดไม่ได้ไม่ว่าจะในการพิจารณาเรื่องใดที่ต้องการรู้ความถูกผิดความควรไม่ควรอย่างถูกต้องท่องแท้ การจะไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้นสำหรับบางท่านทำได้ง่ายมากเพียงบอกตัวเองว่าคนนั้นไม่มีเรื่องนั้นไม่มีเท่านั้นก็เลิกใส่ใจได้แล้วไม่นึกถึงได้แล้วแต่ผู้จะทำสำเร็จได้ง่ายๆาเช่นนี้น่าจะมีไม่มากนักส่วนมากน่าจะทำสำเร็จได้ยากไม่สำเร็จซะเลยก็คงมีมาก อย่างไรก็ตามเมื่อมาคํานึงถึงผลดีที่จะได้รับจากการไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดโทสะ ก, ก็น่าจะพยายามกันให้สุดความสามารถเพื่อทำใจให้ได้รับความสาเร็จในเรื่องนี้ให้ได้ใช้วิธีง่ายๆดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ก็ควรใช้วิธีที่ยากขึ้นไปคือใช้สติและใช้ปัญญาพิจารณาลงไปจนได้ความรู้จริงว่า บุคคล น, นั้นก็ตามเรื่องนั้นก็ตามไม่ควรใส่ใจถึงเมื่อความรู้จริงเกิดเช่นนี้ความไม่ใส่ใจหรือความไม่นึกถึงก็จะเกิดตามมาได้ในทันทีพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไม่เห็นค่าควรสนใจแล้วจะไปสนใจทำไมแม้แต่ลิงซึ่งสติปัญญาไม่ทัดเทียมคนเมื่อไม่เห็นค่าของแก้วก็ยังไม่สนใจแก้ว การพิจารณาว่าบุคคลใดหรือเรื่องใดไม่ควรแก่ความนึกถึงไม่ควรแก่ความสนใจก็อาจจะทำได้โดยการคิดว่าบุคคลที่ทำเช่นนั้นพูดเช่นนั้นได้ไม่ใช่คนดีเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีจิตใจไม่ดีจะพูดอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ดีเราพูดเช่นนั้นไม่ได้ทาเช่นนั้นไม่ได้เพราะเราไม่เหมือนเขาเราไม่ใช่คนไม่ดีอย่างเขา คนอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอย่างบุคคล น, นั้นก็มีอยู่เราจะไปเสียเวลาสนใจกับคนไม่ดีทำไมเขาจะพูดจะทำอะไรที่ไม่ดีก็ช่างเขาการให้ความสนใจคนเช่นนั้นเสียเวลาเสียสิริมงคลถ้าคิดให้หนักคิดให้แรงจะได้ผลคือจะเลิกใส่ใจบุคคลผู้พูดไม่ดีทำไม่ดีต่อตนนั้นได้ เช่นเดียวกันเรื่องใดจะนำให้เกิดโทสะควรไม่ใส่ใจถึงควรไม่นึกถึงก็ให้คิดหาเหตุผลมาชี้แจงกับตนเองจนใจปล่อยวางเรื่องนั้นๆไม่ใส่ใจไม่นึกถึงอีกเช่นอาจจะคิดว่าเรื่องเล็กไม่สำคัญตัวเราสำคัญกว่าเป็นไหนๆควรจะสนใจเรื่องสำคัญกว่านั้นถึงจะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนเราบ้างก็ช่างมันเล็กน้อย หรืออาจจะคิดไปถึงว่าสนใจเรื่องเช่นนั้นเสียเกียรติเ ป, เปล่าก็ยังได้คิดอย่างไรก็ตามถ้าสามารถทำให้เลิกใส่ใจในเรื่องที่จะนำให้เกิดกิเลสไม่เฉพาะโทสะเท่านั้นรวมทั้งโลภะและโมหะด้วยนับว่าคิดถูกทั้งนั้นเพราะการเลิกใส่ใจจะได้ในเรื่องหรือในอารมณ์ที่จะนาให้เกิดโลภะโทสะโมหะ เท่ากับเป็นการไม่ส่งเสริมโลภะโทสะโมหะซึ่งมีอยู่มากบ้างน้อยบ้างในจิตใจของสามัญชนทุกคนเมื่อไม่เสริมก็ไม่แข็งแรงงอกงามเจริญจะเสื่อมสิ้นลงไปเหมือนชีวิตไม่มีอาหารก็จะไม่อาจดำรงอยู่ได้โลภโกรธหลงหรือโลภะโทสะโมหะอ่อนแรงในผู้ใดผู้นั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขในทางตรงกันข้าม โลภโกรธหลงหรือโลภะโทสะโมหะรุนแรงในผู้ใดผู้นั้นจะร้อนรนทนทุกข์